ที่เราตกลงกันไว้ว่าเราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติให้มากแล้วก็ช่วยกันจัดสิ่งแวดล้อมให้มันเอือ้อเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราทํากันมาแล้วแล้วว่าเราตกลงกันจะทําอย่างนี้นี้นพอถึงเวลาเรามันแปลเปลี่ยนไปนะเพราะว่าความเคยชินเดิมๆของเรา ที่ไม่พยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนั้นช่วงเย็นทันที่เราจะเอาถึงเวลาเลิกก็ไปอาบน้ํารับน้ำภาณารับมาร่วมอีกทีช่วงนั้นช่วงที่เราไปเสียอารมณ์ไปจ่ายอารมณ์ออกไป น, นั้นเราก็มาเปลี่ยนใหม่ว่าเราภาวนากันให้ถึงเวลาจนทําวัดเลยพอทําวัดเสร็จแล้วสอบอารมณ์กันเสร็จแล้วก็ ไปรับนาำปน้าอับนาพระก็คนที่มีเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติต่อคนที่ต้องการพักผ่อนต้องการตื่นเช้าก็ได้ถึงเช้ า, ช, าช่วงนี้มายังเป็นเวลาของแอรแลนด้อยู่ถ้าเช้าตื่นมาวันทีสองก็เลยก็ตื่นขึ้นมาเลยล ว, ว่าเวลาของเวกัสมันทีห้าก็ใช้เวลาของที่นี่ เดี๋ยวที่แอลันตาก็บรุณ์สามสี่ทุ่มนะฮะ น, นั้นก็ในหลับตื่นเอาช่วงที่ว่าเอาสบายตานะตื่นขึ้นมาแล้วตามันปลอดโปร่งดีก็ตื่นขึ้นมากี่ทุ่มกี่ยามก็เช่่งมันแต่ตื่นขึ้นแล้วมันกระปกกรบเรีย้เพลียอยู่มันจะสายขนาดไหนก็ต้องนอนต่อเอาดูาล่างกายเป็นนาฬิกา เพราะว่าร่างกายมันบอกอะไรตรงไปตรงมาทีนี้จิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวมังจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเอาอย่างนี้ตามเรื่องของมันเชื่อมันมากไม่ได้นะนั่นนั่นก็สิ่งสิบล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบั ต, ติวันนี้ก็ดีพอสมควรก็คือเสียงก็ไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่มีแต่เสียงสัญญาณประตูนิดหน่อยนั่นนั้นกอ็อาหารก็ตามเวลาที สะดวกไม่ต้องตามเวลาที่เรากําหนดสะดวกตอนไหนก็ตอนนั้นตอนเช้าตนเย็นนี่คือใครหิวก็ไปหาทานเอาเองเพราะมีของว่างอยู่วางอยู่นั้นเยอะแยะน้ําชุยน้ําอะไรตั้งอยู่นั้นตอนเย็นไม่ต้องมีเป็นของหนักก็ได้เป็นน้ําชุยที่วางเลยครับหิวก็ไปทเทเ่าเองไม่ต้องสืบกันก็ได้เวียนต่พระไม่สะดวก น, นี่เพื่อให้เราได้มีโอกาสได้กาหนดการจรเินสติของตัวเองโดยที่ <c oughs> ต่างคนต่างทำจะไม่เป็นภาระกันผู้เก่าก็เหมือนผู้ใหม่ผู้ใหม่ก็เหมือนผู้เก่านักปฏิบัติต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหม่เสมออ่าถือว่าเป็นผู้ก้าวหน้าแต่คิดว่าทําตัวเป็นผู้เก่าแล้วมันจะลาหลังว่าอะไรก็รู้หมดแล้วทำมัหมดแล้ว มันก็เลยล้าหลังนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้เองที่นักปฏิบัติคนเก่าเราส่วนใหญ่ไม่ไปไหนมันพอคือกลางๆจะนำภาวนาเองก็ไม่ได้จะแย่แบบนี้ก็ไม่แย่จะดีคนนี้ก็ไม่ดีเพราะว่ามันคือกลางๆ ก, ก็เลยทำให้เราไม่พัฒนาเพราะเราคิดว่าเราเคยทำมาแล้วเป็นผู้เก่าแล้วยังไงก็ได้นะยิ่งเป็นผู้เคยทําแล้วก็ดิ่งทามากเพราะอะไร เห <c oughs> มือเราขึ้นต้นไม้สูงเนี่ยต้องระมัดระวังมากเพราะตกลงมามันมันหมายถึงความตายนะแต่ผู้ใหม่เพิ่งขึ้นต้นไม้เริ่มต้นเนี่ยตกลงมาไงก็พอแก้ไขแต่คนเก่าที่ขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยตกลงมามันหมายถึงตายเลยทีเดียวมันเป็นความเป็นความตายลเล่นไม่ได้นะนั่นก็อย่างน้อยคนเก่าเนี่ยทําเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นกําลังใจของคนใหม่ ก็ทำให้คนใหม่มีกำลังใจถ้าคนเก่าคิดว่าตัวเองเก่าแล้วตางคนต่างไม่ต้องทำแต่คนใหม่จะพึ่งใครไม่มีตัวอย่างไม่มีแบบอย่างดังนั้นในช่วงแรกนี่สองวันสามวันพวกก็อยากให้นั่งปฏิบัติข้างนอกเป็นกำลังกันก่อนพอ ว, วันสองสามวันหลังก็ลองเข้าห้องดูช่วงแรกถ้าเข้าห้องเลยบางทีมันง่วงมันเพลียมันเผื่อมันเสงมาเนี่ยเราไม่มีกาลังใจแก่ เมันก็จะเฉยเฉไปทั้งอื่นนฉะนั้นอันนี้ก็เรียกเป็นกาลังของกัารละกันการปฏิบัติทีนี้ใน เ, เรื่องอารมณ์ปฏิบัติทบทวนนิดหนึงว่าในอารมณ์เบื้องต้นคืออารมณ์รูปนามเนี่ยพอพูดถึงอารมณ์รูปนามปับ๊บเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยจะต้องนึกภาพออกละ ว, ว่ารูปนามคืออะไรใครมาถามเรื่องรูปนามเนี่ยตอบได้หมด แล้วก็ช่วยพาเขาปฏิบัติให้เข้าถึงรูปนามได้ด้วยอนี้อารมณ์เบื้องต้นเราจะต้องเข้าใจให้ชัดก่อนถ้าไม่งั้นเราปฏิบัติมานานเท่าไหร่เรายังไม่จบอารมณ์รูปนามมันก็ถือว่าการปฏิบัติของเราใช้ไม่ได้นีมันไม่ชัดเจนมันใช้ไม่ได้ก็ต้องมาแก่ปรับใหม่ว่าอารมณ์รูปนามเป็นฐานของอารมณ์เบื้องตน้นเหมือนกับเราเทพื้นเนี่ย <c oughs> ปรับพื้นต้องการความหนานแน่นพรเราแพลนว่าจะสร้างบ้านกี่ชั้นกี่ชั้นเนี่ยก็ปรับพื้นให้หนาเท่ากับที่เราต้องการที่จะทําให้มันสูงอะ่ะะยิ่งต้องไปปฏิบัติไปได้ต้องการปฏิบัติได้ปัถนาอะไรที่สูงมากเท่าไหร่ก็ต้องมาทําฐานให้มันหนักแน่นมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราฐานไม่หนักแน่นเราทํามันไปสูงเท่าไหร่มันก็สุด ตกลงมาที่เดิม <c oughs> นะี่ <c oughs> ถามแล้วรูปนามก็คือแม้จะเป็นอารมณ์เบื้องต้นมันไม่ใช่เป็นตัวบ้านไม่ใช่ตัวอาคารก็ตามแต่มันก็คือรองรับทั้งหมดนะ <c oughs> อารมณ์รูปนามมันไม่ใช่แต่ตัวนําไปสู่มรรคผลแต่ว่ามันเป็นตัวฐานของมรรคผลทีเดียวดังนั้นต้องต้องให้ตอกย้ําจนมั่นคงมั่นใจว่ามันจะไม่สุดนะนะ พอตัวรมรูปน้ํามั่นคงแล้วเนี่ยเวลาไปอารมณ์ที่สูงขึ้นไปไปเจออารมณ์หนักอารมณ์จินตะยานวิปสัสณูวิปลาสอะไรพวกนี้ยมันจะแก้ไขได้ง่ายเพราะมันอารมณ์รูปนามที่มันไปติดอารมณ์ข้างหน้ากับพ่อฐานอารมณ์รูปนํามไม่ดีเพ่อฐานอารมณ์นามดีอารมณ์ที่ต่อไปสูงสูงข้างหน้ามันก็จะไม่ไม่มีปัญหาไม่แปรปรวนเหมือนอาคารมันไม่สุดไม่ล้าพราะฐานมันดี ในนนเองอารมณ์รูปนามนี้เราทวนอยู่เสมอเริ่มต้นทวนขึ้นไปตั้งแต่รูปนามขึ้นไปน้ํารูปทวนขึ้นไปถึงอารมณ์ไตรลักษณ์อารมณ์สมมติอารมณ์ปรมาทัยอารมณ์การเกิดดับเนี่ยตามที่เราได้ผ่านมาหรือเราไปถึงไหนแล้วก็ต้องทวนไปถึงนั่นแหละนี่แนอวหลงรูปนามเบื้องต้นเนี่ยเรา ความรู้สึกตัวโทุพพร้อมในในตัวเราเนะี่ยอย่างน้อยมันจะต้องอยู่สามสิบเปอร์เซนขึ้นไปอะไรเกิดขึ้นอารมณ์รูปนามต้องติดอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวเราเนะี่ยสามสิเปอร์ซอยู่เสมอไม่หลุดทั้งหมดนะแต่ถ้าหากว่าเร า, าอะไรเข้าจอารมณ์รูปนามพระรีกระทบกระแทกหลุดไปทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยนี่เลยหว่ายังถึงจะจงรู้จักยังไงก็แสดงว่ายังไม่เป็ น, ย, ปนยังไม่เป็นอารมณ์รูปนามเพราะว่ามันไม่ อะไรมากระทบกระแทกเราไปหมดร้อยเปอเซนต์เลยนะมันไม่เหลืออยู่ที่ตัวเองดังนั้นฐานอารมรูปนามเบื้องต้นเนี่ยให้มันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปั๊บเนี่ยเรามีสต็อกอยู่ในความรู้สึกตัวเนี่ยสาสิบเอร์ซนขึ้นถ้าได้ห้าสิบ็สิเอร์ซปดิเอร์ซนต์ขึ้นไปก็ยิ่งปลอดภัยนะ ที่นี้ในเราจะรู้ได้ไงว่าในความรู้สึกตัวที่เวลามีอะไรกระทบมันค้างอยู่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นหมายถึงว่ามันไม่หลุดลอยไปกับเรื่องที่มากระทบทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่ว่าไม่น่าพอใจก็ตามเนี่ยมันจะขุนมัวอยู่ไม่นานแทนที่มันจะขุนงัวอยู่สักร้อยนาทีเนี่ยมันก็จะ <c oughs> เหลือสักเจ็ดสิบนาที เ <c oughs> ล้วว่ายัางเ ห, หลือยิ่งสิเหลืออยู่แค่คุณมูอยู่แค่สิบนาทียี่สิบนาทีมันหายก็ยิ่งดีถ้าไปเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมันเหลืออยู่แค่สิบเปอร์เซ็นมันก็จะเสี่ยงละเสี่ยงต่อการดุดลุยนะ น, นั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มัน อ, อยู่ในตัวที่เราเข้าใจรูปนามแล้วนะต้องได้ลึก ใช้อยู่เสมอเพราะมันหมายถึงอถ้าเป็นกระเป๋าก็คือมันเป็นเงินที่สัมลองเป็นทุนนะเป็นทุนสัมลองทุนสัมลองนี่ต้องมีเอาไว้ทีเดียวนะถ้าทุนสัมลองหมดก็หมายความหมดเนะื้อหมดตัวอนะอย่างน้อยทุนสัมลองนี่ต้องมีเอาไว้นะแต่ว่ามันจมีมีไว้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราให้ความสำคัญกับมันนะ ในความสําคัญกับอารมรูปนามเพราะนั้นเราก็จะต้องว่ารู้แล้วไม่ทำไปสนใจมังนงี้ก็ไม่ได้มันจะต้องว่ารู้แล้วยิ่งยิ่งจะต้องสนใจให้มากขึ้นเพราะมันเป็นต้นตอของอารมณ์ในชั้นต่ อ, ตอไปถึงความคิดมีอยู่ก็มันก็ไม่เข้มเหมือนเดิมถึงความ รักความชังมีอยู่มันก็ไม่เข้มเหมือนเดิมจนกระทั่งแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางหรือคําพูดถ้าเราเอาล้วจากอารมณ์รูปนามแล้วการแสดงข้างกายทางวาจาของเราเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ไม่ชัดเจนเกินไปนะจนให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยเราแสดงความรักความเชอบออกมานะนี่เราแสดงความชางังความไม่ช่าออกมาเนี่ยถ้าแสดงออกมาจนคนอื่นเห็นได้อย่างนี้แสดงว่าอารมณ์รูปนามมันมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะ นั่นเองเราก็ต้องสํารวจว่าเราจะเหลืออยู่เท่าไหร่ตรงที่การแสดงออกถ้าแสดงออกในฝ่ายสุดตรงทั้งสองข้างชัดเจนเกินไปอารูปนามก็ไม่ชัดเจนละมันหลุดดังน้อยก็สม่ําเสมอถึงจะมีอยู่ก็อยู่ในใจไม่ได้แสดงออกมาทางกายวาจาอันนี้ในส่วนที่เราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ แต่ถ้าหาอารมณ์รูปนามมันยังไม่เป็นจริงแต่เราพยายามจะให้มันมีคอยระลึกมันก็จะอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ลืมไปอีกเพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนถ้ามันรูปนามของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นตัวอัตโนมัติมันก็จะมาไม่ทันเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันไม่ได้บอกเรามาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะหน้ารรูปนามก็จะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ นั่นหมายถึงว่ามันจะต้องอืมติดเป็นความรู้สึกตัวประจําของเราแล้วเหมือนเรามีเงินอยู่เกิดเหตุฉุกเฉินปั๊บในเราสามารถจับจ่ายได้เลยอืแต่ถ้าว่าเงินที่มีอยู่มันไม่พอหรือเงินมันน้อยเนี่ยถ้าสิ่งจําเป็นเกิดขึ้นมันมากกว่านั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นความจําเป็นขึ้นปับ๊บเราเงินไม่พอละหรือไม่มีเงินอย่างเงี้ย แต่คนอื่นเราพยายามแสดงภาพไม่เห็นว่าเรามีเงินอย่างคนทั่วไปอย่างนั้นที่ว่าเป็นเศรษฐีเงินผ่อนคือแสดงว่าตัวเองมีเงินแต่ความจริงมันไม่มีเวลาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นฉุกเฉินก็เดือดร้อนน่ะนี่นัปฏิบัติทั่วไปก็คล้ายๆเป็นอย่างนั้นคือมันยังไม่มีมากก็แสดงว่ามีมากหรือยังไม่มีเลยก็แสดงว่ามีเวลาเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นมันไม่เหลืออะไรเลยเพราะคว้ามาไม่ทันเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงนะ อนนั้นันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่นักปฏิบัติของเราต้องต้องตระหนักเสมอไม่องั้นเราจะดูถูกเขาดูถูกได้ว่าเอ๊อะไปนักปฏิบัติมาตั้งนานแล้วทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนี้อะไรตรงนี้เขาก็ดูถูกได้ดัง น, นั้นเราจะต้องทบทวนนะเพราะเรื่องเหล่านี้มันมันแสดงเอาเหมือนกับเรื่องทางโลกไม่ได้มันจะต้องมีมีมีอยู่ตามเป็นจริงไงอารมณ์ที่ต้องมีอยู่ตามเป็นจริง เพราะว่าผู้อื่นเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าผู้นักปฏิบัติด้วยกันเราก็จะรู้ว่าอะไรเรามีอะไรแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรามาระวัง <c oughs> ในอภินหาปรปัจเวกข้อที่สิบนะนพระชิตพึงพิจนารณานหนึ่งหนึ่งว่าทำคุณวิเศษมีอยู่หรือไม่ที่ว่าเราข้อที่สิบ เมื่อถูกวันเพื่นบรรพชิตด้วยการถามจะไม่กื้ขืนในการภายหลังนะคือนักปฏิบัติด้วยการถามบางสำนักเวลาเราไปเนี่ยเขาถามตรงๆเลยนะว่าไปถึงมักผลขั้นไหนรู้จักทำอะไรเนี่ยเขาถามว่าตรงๆสำนักที่เขาเข้มขมทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรอยู่ในตัวเราก็สับสนไม่รู้จะบอกเขายังไงเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติ เราไปตามสนักเทือคขุบาอาจารย์ต่างๆที่เขาเข้มข้นในเรื่องเนี้ยเขาถามถึงเรื่องมรรคเรื่องผลถึงการตัดกิเลสกันเลยนะไม่ได้ถามว่าอ่านักธรรมชั้นไหนไปรเรียนอะไรรู้อะไรมาแล้วนั้นเองเราก็ต้องระมัดระวังอ <c oughs> น่ารู้รุ่มน้มต้องทวนอยู่เสมอเสมอก็อยู่ในตัวเราที่เราสัมผัสได้ทุกขณะนี่แหละทุกนั่งย่างเดิน ความคิดถ้าเราไม่จำเป็นเราก็สลัดทิ้งได้ง่ายถ้าเราจะเป็นต้องคิดเราก็เลือกมาคิดได้โดยง่ายเหมือนกันถ้าไม่จำเป็นต้องคิดก็กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เร็วนะเพราะนั้นตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราไม่ใช่คอยระลึกนะแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแต่นำมาใช้บ่อยๆเท่านั้นเอง นำมาใช้บ่อยๆนำมาใช้ตอนไหนนำมาใช้ตอนที่มันอายตนะมากระทบกันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกิรรถสัมผัสมันล็คอยให้เกิดความคิดและอารมณ์อยู่ตลอดตัวนี้ก็รู้เท่าทันไปตลอดนั่นเป็นธรรมชาติแต่มาให้มันเกิดไม่ได้เพราะมันมีการกระทบตลอดเวลาตาต้องได้เห็นหูต้องได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นริมรถกายสัมผัสตลอดเวลาเพราะนั้นมันก็ต้องมีการ ปรากฏผลออกมาเป็นความคิดเป็นธรรมารมาลงเราก็เข้าไปรู้เท่าทันเท่านั้นเองเพราะนั้นเวลาความคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะไปอคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดหรื อ, <c oughs> อไปโทษมันว่าทําไมต้องเกิดมันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันต้องเกิดเมื่อตีะระฆังไม่ให้มีเสียงเป็นไปไม่ได้เวลาเสียงมากระทบหูเราจะไม่ฟัง มันก็ไม่ได้เพราะต้องฟังฟังแล้วเรารู้เท่าทันไหมว่ามันปรุงหรือไม่ปรุงแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นอารมณ์เบื้องต้นเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันในสิ่งที่มากระทบอมมันจะคิดหรือไม่คิดเรื่องเรื่องของมันแต่หน้าที่ของเราคือต้องรู้เท่าทัน <c oughs> ถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันนะอันนี้ส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่เราเตรียมมาลูบลูบนาไว้เพื่อที่จะรู้เท่าทัน สิ่งที่มากระทบแต่ละเวลาส่วนคนไหนอารมณ์รูปนามเข้มแข็งก็รู้เท่าทันได้เร็วคนไหนอารมณ์รูปนามไม่เข้มแข็งก็รู้เท่าทันได้ช้าคนไหนอารมณ์รูปนามยังอ่อนแอก็หมายความว่ามันเข้าไปในอารมณ์ตั้งนั้นแล้วเพิ่งรู้นมันก็จะวัดกันตรงนั้นว่ารู้เท่าทันเร็วช้าแค่ไหนไมันดหมายความว่าไม่ให้มันคิด แรกก็ไม่หมายความว่าจะให้มันรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ใช่แต่เมื่อลามีการกระทบรู้เท่าทันได้ทันทีอันนี้คือความหมายที่ว่าการมีอยู่ของรูปนาม <c oughs> <c oughs> ทีนี้เมื่อรู้จักรูปนามในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะรู้เท่าทันนามรูปนามรูปหมายถึงอาการของจิตความอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้เท่าทัน ให้รู้เท่าทันแล้วเราแก้ไขไปตามเรื่องนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็ตามหน้าที่ของมันเราก็รู้เท่าทันเดี๋ยวง่วงมาเดี๋ยวเบื่อมาเดี๋ยวเซ็งมาเดี๋ยวฟุ้งซ่านมาเดี๋ยวขี้เกียจมาเดี๋ยวงุ่นงิดมาก็มาตามเรื่องของมันเราก็เข้าไปรู้เท่าทันเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเกิดมันก็จะเกิดตามตามเหตุปัจจัยของมันนะแต่หน้าที่ของเราคือรู้เท่าทันแก้ไข ไอเดียวช้าแค่ไหนก็อขึ้นแต่ละจะังหวะขณะนั้นนั่นะอันนี้ในส่วนที่เป็นอารมณ์รูปนามที่เราจะรู้เท่าทันนิวรณ์ทีพอมารู้เรื่องของนามรูปหมายถึงว่าถ้าบางครั้งเรารู้เท่าทันช้าไปมันก่อให้เกิดนามรูปคือก่อให้เกิดความคิดไปเรื่องโ น, น้เรื่อง น, น, นี้บ้างเนี่ยเราก็ต้องตามแก้ให้ทันนะ <c oughs> ร, า <c oughs> รามแก้ทันว่าอารมณ์ในส่วนที่เป็นนามรูปคือความคิดปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างความคิดที่เราต้องใช้มันบ้างใช้แล้วไม่ได้จบบางทีมันไม่ทันได้ใช้มันมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้เท่าทันในในอารมณ์นามรูปนี้อันให้สารวจผลของมันหลักประกันว่าเรารู้นามรูป ชัดหรือไม่ชัดก็ดูผลสามประการผลประการที่หนึ่งคือความสำคัญมันหมายในตัวเราเองยังเข้มข้นอยู่ไหมผลประการที่สองก็คือความสงสัยเรื่องตัวรู้เนี่ยตัวรู้ที่เรารู้สึกตัวทรวรพรมอยู่เนี่ย <c oughs> เราสงสัยมันอยู่ไหมว่ามันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ดับทุกได้จริงหรือไม่ได้จริง ถ้าเราอารมณ์รูปนามเรายังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังสงสัยอยู่เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเท่าไหร่มักจะไปนั่งหลับตานั่งความสงบเข้าความสงบเล่นไปทางอื่นนะเพราะไม่เชื่อมั่นในความรู้สึกตัวอันนี้แสดงว่าอารมณ์รูปนามยังไม่มั่นคงผลประการที่สามก็คือยังไป ยึดติดในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องไม่ดีของแบบทั้งโลกโลกอยู่ไปยึดติดอะไรที่มันทั้งโลกเขาติดกันไปยึดติดไปเล่นไปสนุกกับเรื่องนั้นได้อยู่ไม่จืดไม่จางไม่เบื่อไม่นายสามอย่างนี่มันจะเป็นตัวพิสูจน์อารมณ์รูปนามเราเข้มแข็งไหมหนึ่งก็คือความสำคัญมันหมายในตัวตนลดลงเพราะไหมเวลาถูกกระทบ ความีเขามีเราของเราจะเข้มข้นอยู่ไหมอันที่สองเราเชื่อมั่นในภาวะแห่งพุทธะในตัวเราไหมภาวะรู้ตื่นเบิกบานเนยะเราเชื่อมั่นแค่ไหนเราพยายามทําให้มันมั่นคงได้แค่ไหนในตัวนี้อันที่สามยังไปเล่นเรื่องดีเรื่องชั่วแบบโลกโลกอยู่ไม่เห็นคือเราไป อ่ไม่เห็นว่าไปเห็นเรื่องไม่มีสาระว่าเป็นสาระเรื่องที่มันเป็นสาระเรากลับไม่เห็นว่าไม่มีสาระ่ยตรงนั้นสามละสามเรื่องนี้เป็นตัววัดว่าความอารมณ์รูปนาะมบางตัวเราใช้ได้ไม่ได้นะทุกอย่างมันจะต้องมีเครื่องวัดมีข้อสอบวัดไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันไม่ได้นะมันทางโลกเขาก็ยังมีการวัดผลเงินแล้วทางธรรมไม่มีการวัดผลแน่นอนเราอย่ามันจะไปแค่ไขปัญหาทางโลกได้อย่างไรนะอันนี้ส่วนหนึ่ง เพราะนั้นในอารมณ์รูปนบมมุขต้นเราไปทบทวนให้ดีในฐานะเราเป็นผู้ปฏิบัติมาแล้วนี่นะถ้าหากว่าคนรุ่นใหม่เขาผ่านมาจากวิธีอื่นซึ่งเขาสงสัยถ้าเขามาถามในวิธีการของเราเนี่ยว่าในหลักการในเรื่องของอารมณ์นามมุขต้นเนี่ยเราดูกันอย่างไรเขาต้องการที่ว่ามันเหมือนของเขาไหมเนี่ยเราก็ต้องยืนหยัดในหลักการของเราว่ามันเป็นอย่างเนี้นะเรารู้ได้อย่างอย่างไรเขา ทำให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนกับใจของเราเมื่อเราชำนาญในเรื่องเราเรารู้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องทำให้มันชำนาญขึ้นเรื่อยๆความจริงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันพัฒนาจากตรงนี้อารณ์รูปนามนะั้เหมือนกับมเมล็ดพืช อ, อ่ ะ, อะเมื่อเราลดน้ำใส่ปุ๋ยพลนดินไปมเมล็ดพืชมันแตกหน่อต่อกิ่งขึ้นมาเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบ จะบอกว่ามันไม่ใช่เมล็ดมันก็ถูกแต่มันก็พัฒนาการมาอารมณ์รูปนามนี่นกัมันพัฒนาเป็นอารมณ์อละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสมมติเป็นปรมัตา์เป็นอปรมตจารย์วัตถุปรมัตา์อาการพัฒนาขึ้นไปมันก็ไปจากอารมณ์รูปนามนั่นแหละแต่มันพัฒนาไปมันไม่ได้อยู่ในรูปเดิมนะแต่ว่าสติความรู้สึกตัวนี่ น, นเราพูดถึงสติคําเดียวพอปฏิบัติไปนาน ม, มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆ สติมันก็เหมือนมเมล็ดพืชเหมวนในหลงลูกน้ำนัลยแหละพัฒนาเป็นต้นเป็นตอเป็นกิ่งเป็นก้านสาขาออกไปจากสติมาเป็นสัมปทัญญะจากสมัมปทานยะมาเป็นสมาธิจากสมาธิเป็นปัญญาญจากปัญญาเป็นญาณเป็นญาณวิปัสนาญาณเติบโตไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้นต่อไปจากสตินั่นแหละคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละเพราะนั่นจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ชัดเจนประกันเดียวมันพัฒนามันไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหากว่าความรู้สึกดูทุกข์พร้อมไม่ชัดเจนเนีม่มันคงเราเลยไปรู้เรื่องอะไรมากมายยานเท่านั้นยานเท่านี้นนนตัดกิเลสนั้นๆนี้ว่าไปแต่ว่ามันไม่มีจริงพราะฐานนั้นเลยของเรายังไม่เข้มแข็งไม่มันคงเราไปพัฒนาถึงดอกถึงผลแต่ต้นตอของเรายังไม่เข้มแข็งเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> นั้นเอง อันนี้คือถ้าจะไว้ว่าไปให้ถูกต้องแล้วหลักที่เราปฏิบัติหลักเพื่อดำเนินจากฐานแห่งความทุกไปสู่ความสุขความสุขที่ไม่ยังยงนนย่งยืนไม่มั่นคงให้ไปสู่ฐานแห่งความสุขที่ยั่งยืนและมั่นคงเรียกว่าบร ม, มสุขเพราะฉะนั้นมันก็จะหนุนหนุห น, นกันขึ้นไปเรื่อยๆในเบื้องต้นที่เราปฏิบัติเนี่ยเราสัมผัส ความไม่ทุกเราจะใช้คําว่าความไม่ทุกเนี่ยมันเสี่ยงน้อยกว่าถ้าเราใช้คําว่าความสุขเนี่ยเพราะความสุขในมิติของแต่ละค น, นไม่เหมือนกันมันก็เสี่ยงต่อความเข้าใจคาดเคลื่อนแต่เราใช้ว่าความไม่ทุกเนี่ยมันมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนอะไรก็ตามที่มันไม่ทุกก็ถือว่าใช้ได้ <c oughs> มันจะสุขระดับไหนก็ตาม่ะสุขในมิติไหนก็ตามะถ้าออกมาเป็นความไม่ทุกเราใช้ได้ เพราะว่าความสุขนี่ยังมีขั้นต่อน้องมันขั้นนั้นขั้นนี้แต่ความไม่ทุกข์มันมเป็นมันรวมทั้งหมดเลยะตั้งแต่ต่ตําสุดถึงสูงสุดคือไม่ทุกข์เขาเรียกว่านี่ละทุกข์นั้นนั้นเองในภาคปฏิบัตินะทีนี้มาอยู่ในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเราก็จะต้องมาใช้อิทธิบทเหมือนเดิมแหละยืนเดินนั่งนอ น, นการลุกการนั่งการย่างการเดินเองต่างเนี่ย เราเคยสังเกตบ้างไหมว่าตัวรู้สึกที่ออกมาเพลนความพิดเป็นอารมณ์ต่างๆความรู้สึกสบายไม่สบายทางด้านจิตใจเนี่ยมันมาจากไหนอันนั้นในในส่วนที่มันเอาไปทางจิตมันเป็นผลแล้วเหตุมาจากไหนเห็นมันก็จะมาจากความไม่พอดีของรูปนั่นแหละไม่พอดีในเรื่องกรรมไม่พอดีในเรื่องที่ว่ามาตอนเช้าไม่พอดีในเรื่องของจิต ไม่พอดีในเรื่องของอากาศดินฟ้าอากาศอุตุความไม่พอดีในเรื่องของอาหารมากเกินไปน้อยเกินไป <c oughs> ความไม่พอดีในสี่สถานนี้เป็นเหตุให้ลูกไม่สบายเมื่อลูกไม่สบายแล้วนามมันก็ต้องหาทางออกความไม่สบายของมันมันก็คือหาเรื่องคิดนั่นแหละฮะมันก็มีเหตุฮะมันเหตุเหตุที่มันเกิดไปจากจิตมันก็ไปจากกาย นะเป็นเหตทของกันและกันดังนั้นเราก็มาปรับนะการปรับที่กายให้มันพอดีปรับเรียบบดยืนเดินนั่งนอนห้มันพอดีแต่ว่ามันก็พอดีได้ยากแต่เราก็ปรับมันไปเรื่อยๆเอาถ้าว่าแค่ไหนแค่ทนได้ไม่ใช่ปรับให้มันสบายนะเอาปรับให้พอทนได้ไม่ให้มันหนักไปกว่านี้เท่านั้นเอง ถ้ามันหนักไปกว่า น, นี้นอกจากกายมันมีวิบากแล้วใจมันก็จะรับวิบากต่อก็คือรับไปคิดรับไปเป็นรักเป็นชังตามอาการของมันเพราะาเราปฏิบัติเจริญสติเนี่ยเราต้องการตัดแค่สองเรื่องเรื่องรักกับเรื่องชังอภิชาและโทมนัสอภิชาลักโทมนัสคือชังความชอบความไม่ชอบต้องตัดแค่สองเรื่องอที่มาจะทางกาย นะมันจะทางกายกายก็มีสองเรื่องดูความสบายไม่สบายความชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องของจิตความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเป็นเรื่องของกายบางครั้งเราก็รู้สึกสบายบางครั้งรู้สึกไม่สบายเราถึงได้ปรับหาอยู่เรื่อยๆด้วยการใช้การเคลื่อนไหวเป็นตัวปรับเคลื่อนไหวอย่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างนี้เพราะมันไม่สบายความไม่สบายมันมาตลอดเวลาเพราะการทํางานของอนิจจัง อันนี้จังก็ให้เกิดทุกขังคือไม่สบายพอไม่สบายก็ต้องปรับความไม่สบายออกการปรับไปปรับมามก็คือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวพิจิตร์จะเอาทุกที่มันอยู่เนี่ยทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องปรับออกอตั้งอยู่ไม่ได้พอ <c oughs> <c oughs> มันดับไปทุกเก่าดับไปทุกใหม่ก็มาอีกทุกใหม่มาอีกก็ปรับอยู่อย่างนั้นีน่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวทําไมต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเอาการเคลื่อนไหวเป็น ที่ตั้งของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของเวทนาการเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนไหวของอารมณ์ เ, เป็นนิมิตกรรมฐานนะทีนี้ในการเคลื่อนไหวนี่เป็นผลของทุกข์ทุกข์ต้องกําหนดรู้ทุกข์ที่มันมีการเคลื่อนไหวทั้ง4ี่ระดับนะ่นเคลื่อนไหวของกายเ <c oughs> วทนาจิตธรรมแล้วการเคลื่อนไหวนี่มาเป็น วศึกษานะ่ว่าสืส่อถึกศึกษาตัวกำหนดทุกต้องกำหนดรู้โดยอาศัยทุกของกายนะกำหนดรู้ศึกษาเพื่ออะไรเพื่อจะหาเหตุมันว่าไอ้ความไม่สบายของกายมาจากอะไรหาเหตุให้เจ อ, อเหตุเป็นความไม่พอดีของกายก็ปรับให้มันพอดีนะพอปรบพอดีมันก็พออยู่ได้นะ่ะเป็นกลางปรับให้เกิดมชิมาปฏิปทา จิตของเราก็จะมาคั่วอยู่กับการปรับทุกข์อยู่นี่แหละไอ้จิตที่เรามาปรับทุกข์อยู่เรื่อยๆนี่เองมันทําให้เกิดปัจจุบันขณะจิตมันกลับมาบ่อยๆจิตทันทีมันจะเตลิดไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆพามันรู้ว่าถ้ามันเตลิดไปอารมณ์ต่างๆมันลืมทุกข์ขณะที่มันเกิดนี้แล้วทุกข์ที่มันเกิดเราก็ละเลยเราก็ไม่รู้ตรงนี้อวิชามันก็เกิดเพราะเราไม่ตามดูทุกข์ ที่มันขณะเกิดอวิชาก็ปรากฏแต่พอค่อยเอาใจใส่ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยสังเกตค่อยแก้ไขค่อยเรียนรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขึ้นมาปั๊บเนี่ยวิชามันก็เกิดเพราะว่ามันทุกตัวกำหนดรู้เราได้รู้แล้วนะได้รู้แล้วแล้วรู้แล้วเดี๋ยวก็ทุกใหม่เกิดมาใหม่กำหนดรู้อีกรู้แล้วก็จบไปมันก็เปลี่ยนตัวทุกให้เป็นตัวรู้ เรื่อยเปลี่ยนตัวทุกข์ให้เป็นตัววิชาตัวปัญญาได้เรื่อย ๆ, ๆอันนี้คือหลักเบื้องต้นของผู้ที่ต้องทบทวนอรูป์ูกน้ำนะต้องเอาทุกสมุทัยนิโรธมาเป็นทางดําเนินการให้พอดีเนี่ยหมายความว่าในวิธีการวิเทียนนะเข้าใจหลักที่ถูกต้องแล้วมันได้ดําเนินการหลักสติปัฏฐานและอริยสัจไปในเวลาเดียวกันเลยโดยเราจะรู้จักตัวบท หรือหลักสูตรหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นการปฏิบัติถูกต้องไปตั้งแต่แรกเลยนะแต่ถ้ า, ถาสมมติว่าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็จะออกจากหลักสติบัตฐานและอริยสัจไปโดยที่ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ปริยัตินะทั้นนั้นถ้าเราไม่รู้ปริยัติเราก็ไม่ต้องไปรู้มันก็ได้ ร, รู้แต่ว่าเออความทุกความไม่สบายมานะเราแก้ออกได้ทุกเรื่องไหม เราพยายามแก้มันตลอดเวลาไหยแก้ออกไปแล้วใจเป็นยังไงกายเป็นยังไงผลออมาเป็นยังไงแค่รู้แค่นี้แหละไม่ต้องไปรู้หลักบริยัติก็ได้แต่รู้เอาตัวสภาวะตัวปรามัตดข้อมันเลยทีเดียวนะแต่หลักปริยัติท่านวางไว้เพื่อให้เป็นแนวทางว่าเออแนวทางที่ถูกต้องไปแนวนี้นะแต่เราจะสมมุติออกมาเป็นภาษาอะไรก็ได้ภาษาต่างประเทศเป็นร้อยพันภาษาเนี้แต่ให้มันตรงกับ ที่ความหมายทุพุทรเจ้าหมายถึงนะว่ากายเนี่ยมันเป็นผลของการทํางานของไตรลักษณ์ที่จังทุกครั้งนัตตามันก็ออกมาเป็นผลให้เราสบายไม่สบายสองอย่างนะทีนี้ความสบายไม่สบายนี่มันก็พัฒนาของไปเรื่อยเื่อยความสบายก็พัฒนาเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานไปตามลาดับจนไปถึงกามาสะวะอวิชฌา ตัวไม่พอใจก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาให้เป็นโทมนัตเป็นโทสะเป็นมานะเป็นตัวทิฐิเป็นอุปาทานไปเรื่อยๆจะไปถึงภวาสวะนะในส่วนรู้สึกเป็นกลางเพราะความรู้สึกหลักๆมีความความรู้สึกขอความรู้สึกสบายไม่สบายและเป็นกลางพวามรู้สึกเป็นกลางหมายความว่ามันมันยังไม่ชัดว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กลางกลาง ยิ่งละเอียดลงไปอีกถ้าเราไม่ตามรู้มันก็พัฒนาตัวมันเป็นโมหะเป็นอวิชชาไปเรื่อยๆเหมือนกันนี่เราจะเห็นว่าถ้าเราตามรู้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันไปสู่หลักวิชาของมันเองนะเพราะนั้นจำไว้เบื้องต้นว่าความรู้สึกหลักๆของเรามีอยู่แค่สามความรู้สึกเนี่ยพัฒนาไปสู่กิเลสสามตัวก็ได้ สู่เป็นพระรัตนตรัยก็ได้สู่เป็นตรยสิขาก็ได้ต้นตอมันก็มาจากสามตัวต้นก็คือตรัยรักนั่นแหละต่รตยรักมันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากต้นตออีกสองตัวก็คือตัวเกิดตัวดับเพราะนั้นที่จุดของการเกิดดับในโลกในจกักรวาล น, นี้จริงๆก็มีแค่สองตัวนะคือคือการเกิดและการดับนะเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปถ้าเรียกเป็งการเกิดและการดับ ถ้าการทำงานของธรรมชาติมีเกิดกระดับแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันการเกิดดับมันก็จะมีการเหมือนกันเป็นการตั้งอยู่แต่ความจริงมันเกิดดับตลอดเวลาอย่างแสงไฟเนี่ยหลอดไฟเนะมันเกิดแล้วมันดับตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ถึงกลไกมันเกิดดับอย่างไรเันก็เห็นว่าไฟมันสว่างตลอดเวลาไม่เห็นว่ามันเกิดมันดับ เพราะความถี่เกิดดับมันสูงเกินเราก็คิดว่ามันมีอยู่จริงร่างกายในความถี่ของการเกิดดับใน ร, ร่งรางกายจิตใจของเรามันสูงเราก็คิดว่าเรามีอยู่จริงเราจึงไม่เห็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเราเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีใครมาด่ามาว่ามาดินทามันสรรเสริญอะไรยังก็ดีใจเสียใจไปตามที่เขาว่าอยู่เพราะเราคิดว่ามันเรามีอยู่จริงเนยแต่ความจริงเราไม่ได้มีอยู่จริงเราคือปรากฏการณ์ของการเกิดดับในความถี่ที่สูงมากเท่านั้นเองเหมือนหลอดไฟไฟดับ เวลาต้องการเปิดก็เปิดทันทีได้เวลาดับก็ดับทันทีได้เพราะมันขนาดของการเกิดดับเทียงแต่ทำระบบให้มันเกิดมาดับตามต้องการเท่านั้นเองเราถ้าเราไม่ค้นพบไม่ค้นพบระการเกิดดับในตัวข้างเราชัดเจนเราก็ไม่สามารถควบคุมการเกิดดับที่ได้ตามต้องการมันก็เกิดดับตามกิเลสไม่ได้เกิดดับตามวิชาที่เราต้องรู้นักวิทยาศาสตร์ เขาสามารถปรับป้องการเกิดดับทางกําลังพลังงานธรรมชาตินี้เป็นการเกิดดับที่เขาต้องการเมื่อไหร่ต้องการไฟเขาก็เปิดเมื่อไหรไม่ต้องการไฟเขาก็ดับได้ถ้าหากเราสามารถควบคุมพัฒนาทางด้านนามธรรมด้านนี้เราสามารถว่าเมื่อไหร่ต้องการคิดแล้วก็คิดได้ทันทีเวลาไม่ต้องการคิดแล้วก็ปิดใจได้ทันทีคนที่เข้าถึงการเกิดดับก็สามารถทําได้อย่างนั้นต้องการทุกก็ได้ต้องการสุขก็ได้ ตามต้องการมันไม่เป็นอนัตตาอีกต่อไปมันค่อยสู่ธรรมค่อยสู่วิชาถู่ปัญญาพัฒนาตัวอนัตตาด้วยให้มันเป็นวิชาและปัญญาขึ้นมาอนัตตาหมายความว่าเราควบคุมบังคับควบคุมตามต้องการไม่ได้นะไ ม, มันอยู่เนือการควบคุมเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าพอเราศึกษาให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ควบคุมบังคับบัญชาให้จิตของเราไปตามที่เราต้องการได้ มันก็จะเป็นอนัตตาเป็นปัญญาก็คือการเจริญสตินี่แหละต้องการคิดก็ได้ต้องการไม่คิดก็ได้ต้องการทุกข์ก็ได้ต้องการไม่ทุกข์ก็ได้บางครั้งเราก็ต้องการทุกข์ถ้าเราไม่ยอมทุกข์เราไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้เรากลัวทุกข์ก็ต้องทํามาหากินต้องคิดแก้ปัญหา ต, าต่างๆมันก็ทุกแต่เราใช้มันะอืมมันต้องการเรู้ว่าไฟเปิดแสงสว่างมันร้อนเราก็ต้องร้อนเพราะว่าเราไม่มีความร้อนก็ไม่มีอะไรมาหงหา ทำข้ากลขับไปให้เรากินมันก็ต้องยอมร้อนเหมือนกันบางครั้งต้องใช้กําลังกายเพื่อทำมาหาใหกินเลี้ยงชีพต้องใช้ความคิดเพื่อคิดปัญหาต่างๆก็ต้องยอมคิดถ้ามันจําเป็นก็ต้องยอมใช้แต่เรารู้ว่าเราใช้มันเราจะดับมันได้นั่นแหละแต่คนทั่วไปใช้มันแล้วดับไม่เป็นทุกข์ก็ทุกไปเลยนะเพราะฉะนั้นการทุกข์ของชาวบ้านจึงไม่สามารถนําไปสู่การบรรลุทําได้เพราะมันไม่รู้ว่าทุกข ไม่รู้จักทุกไม่รู้เหตุเกิดทุกแต่นักปฏิบัติของเรารู้จักทุกเราออกจากทุกได้เพราะาเรารู้ที่ไปที่มานี่คือการศึกษาวิพัฒนาก็คือการศึกษาขบวนการทางวิยทยาศาสตร์ทางนามธรรมเหมือนกับนักวิยทยาศาสตร์ค้นพบทางด้านพลังงานแล้วเอามาใช้ได้ตามต้องการหลักการนันเดียวกันเป็นหลักการวิยทยาศาสตร์เหมือนกันในส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งเป็นนามธรรมาทเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะเราปฏิบัติเพื่ออะไร ปฏิบัติเพื่อที่จะมาดูการเกิดการดับของรูปของนามเมื่อการเกิดดับของรูปมันขยายตัวจากสองมาเป็นสามการเกิดเป็นอนิจจการดับเป็นอนัตตาแต่พออาศัยรูปเกิดมันจะมีทุกขังขึ้นมาแทนเนเราก็มาศึกษาที่ทุกเลยเพราะเราไม่สามารถ ไปบังคับการเกิดดับได้เพราะการเกิดดับเป็นพลังงานตามธรรมชาติมันเกิดดับเกิดดับอยู่นั้นแต่ถ้ามันเกิดมากกว่าดับผลออกมาเป็นทุกข์ถ้าดับมากกว่าเกิดผลออกมาเป็นทุกข์เราจ้องทำการเกิดดับให้สมดุลที่นี้ทุกข์เกิดเพราะมันเกินถ้าเกินไปในฝ่ายเกิดเรียกว่าสุดตรงการมาสุขันในกาญยุก เกินไปในไฟดับเรื่ออัตจักเดี๋มาถานายกพุทธเจ้าท่านให้ละทั้งสองข้างละความส่วนเกินทั้งเกิดและทั้งดับทําเกิดดับให้พอดีไงคือมัชชีมาปฏิปทาในขั่วไฟที่มันเห็นมันเสถียรเนี่ยเนกติโพเนื้อโพสติโพเนี่ยมันทํางานในความถี่เท่าๆกันนะเกิดกับดับเท่ากัน ถ้าเกิดว่าการเกิดดับไม่เท่ากันไฟนี่มันจะไม่ดับมืนมันกระพริบหรือมันช็อตไปเลยมันก็จะมืดละการเดียวกันเลยนะแต่ด้วยการเกิดดับที่ความถี่สูงเราจึงเห็นว่าไฟมันไม่กระพริบนะความถี่กี่เป็นพันพันวินาทีต่อต่อวิีก่ครั้งต่อวินะเราก็เห็นว่าจะเห็นเราก็เหมือนกันความเกิดดับของ วาระจิตของเราจิตใจของเรามาทํางานการเกิดดับข้างในมันสูงขนาดไหนให้ทําให้เราเห็นว่าเรามีชีวิตอยู่จริงวันใดวันหนึ่งการเกิดดับนันขาดปั๊บเนี่ยเราก็พับทันทีเหมือนกันหมดความหมายเราอยู่บนอความเปลี่ยนแปลงของการเกิดดับตลอดเวลาเรียกว่าอนิจจัง <c oughs> <c oughs> การเกิดเป็นอนิจจังการดับเป็นอนัตตา แต่ดับที่เราไม่รู้มันเป็นนิจดาดับที่เรารู้มันเป็นปัญญาเราบังคับการเกิดไม่ได้แต่ว่าเราไปจัดการการดับได้เหมือนไฟถ้าเกิดด้วยความไม่รู้มันไหม้บ้านข้างหลังแต่มันรู้ที่เกิดปั๊บเราดับมันทันเกิดปัญญาเราก็ไม่ได้รับความเสียหายหละกการธรรมชาติทางลูกธรรมนำธรรมไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้มันจริงไหมนั่นเองเรียนรู้ที่ทุกข์แหละ จะให้รู้ว่าทุกมาจากอะไรทุกมาจากเราจัดการเกิดดับไม่พอดีนั่งนานเป็นทุกเพอะนั่งนานเกินไปความทุกข์ก็เกิดมากเกินอเราเราไม่อยากจะให้มันทุกเกิดแล้วก็ไปนอนใช่แล้วก็ดับความทุกข์มันก็ดั บ, ด, บดับนานเกินไปความดับกลายเป็นขี้เกียจไปเลยเห็นไหมเกินไปก็เป็นตุลงทุกข์อีกเหมือนกันนั่งนานเกินไปอความไม่สบายมันไม่ยอมดับแต่ทีเกินไปอ่า นี่ถ้าเขปรับให้พอดีไม่ให้มันสบายเกินไปถึงก็ไปนอนแต่ย่ให้มันอ่าทุกข์เกินไปถึงกับว่าทำไม่หยุดทําบ้างปรับปอนพัดเพียนผัดผ่อ น, นไปพออยู่ได้ตรงเนี้ปัญญามันก็เกิดอจิตที่มันพอดีเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาแล้จิตที่มันเกินพอดีเนี่ยทุกข์เกินพอดีสุขเกินพอดีเป็นเหตุกล้ให้เกิดตัวอวิชชาพอเราไปยึดท่านปุริยะบอกว่าให้ ละทางสุดตรงทั้งสองทางสุดตรงนังทางสบายเกินไปแล้วกามาสุขาณกานุโยกสุดตรงทางไม่สบายเกินไปแล้วอตัยเกลือม า, านุโยกแต่ทําทั้งสองตัวนั้นให้สมดุลกันเร็วมัชฌิมาปฏิปทาแต่ไม่ได้ทิ้งสองตัวนะแต่ทำสองตัวนั้มันเท่ากันซะเร็วมัชฌิมาปฏิปทานะอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปที่เรามาทําก็ในหลักการอันนี้ มันไม่ได้เป็นหลักที่สลับซับซ้อนอะไรมากนะแต่ทําไมมันทํายากเพราะว่าเรายังไม่คุ้นเท่านั้นเองอออ่ะ <c> เ <oughs> คุณเราก็ยังไม่เห็นหลักมันชัดแต่คนได้เห็นหลักมันชัดมันก็ง่ายขึ้นทําได้ง่ายขึ้นทําได้ทั้งวันก็ได้ไม่หยุดก็ได้สบายแต่ถ้านคนที่ยังไม่เห็นหลักมันชัดเยมันไม่สบายและทรมานตัวเองเพราะปรับไม่เป็นนะ่นเพราะฉะนั้นก็ ทำความเข้าใจเพื่อให้เรารู้สึกทําแล้วมันสบายทําได้เรื่อยเรื่อยทำแล้วมันผ่อนคลายะทําอย่างนี้มันทุกข์เปลี่ยนมาเป็นนี้ทํานี้มันไม่สบายก็เปลี่ยนมาอย่างนี้เปลยนได้เรื่อยเยเปลนหาความสมดุลน่ะเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ากรัทุกข์หรอกเปลี่ย น, น, นเพื่อทําทุกข์ที่มันเกิดให้มันพอดีพอดีขนาดไหนพอดีก็พ้ทนได้แค่นั้นเองมาให้ทุกข์เกินไปขณะเดียวนะก็ไม่ใหรือว่าสุขเกินไปการที่สุขทุกข์แต่พอดีเนี่ย เราใช่สุขที่สุดเนี่ยมันไม่ได้เพราะกายเราเราอาศัยกายเพราะกายเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎของใจรักยังไงมันก็ทุกอยู่ดีนะกายนะ <c oughs> ตอนนั้นก็เลยว่ า, ามันก็ไปหาสุขทางใจก็เลยมาเข้าใจเนนะบับบัตทุกทางกายไปเรื่อยๆนะฮะนั่นก็เพื่อยู่ได้ใจมันก็ไม่ไปรับเศษ ร, รับวิบากจากกายใจมันก็ปลอดภัยจากทุกข จะคอยแก้ทุกท์ทางกายไปตามเหตุปจยยัจจัยนั่นเองดังนั้นในการปฏิบัติเราถึงต้องการบ่มเพาะความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องไม่ให้มันขาดเส้นขาดสายอในช่วงปฏิบัติเราถึงต้องการความ ป, ปลอดโปร่งความสบายไม่มีเงื่อนไขอะไรมากเพื่อเราจะได้รักษาความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่อง ต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรามันได้ไรู้จักถ้าจิตของเราไม่รู้จักความต่อเนื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ถล้ำกาไปนในความคิดมันแฉลบก็ไได้ความคิดเพราะความคิดนั้นเป็นผลของความทุกข์เพราะทุกข์จากที่เราบำบัดทางกายไม่พอดีมันออกไปเป็นความคิดถ้าเราบำบัดในร่างกายได้พอดีความคิดมันก็น้อยลง แต่ความคิดที่มีอยู่มันก็เป็นอารมณ์ทั่วไปเกิดดับทั่วไปเป็นผลของการเกิดดับจิตมันก็มีการเกิดดับเกิดดับสี่แะดับบ้นตัวเห็นการเกิดดับของรูปนามคือการเห็นการเคลื่อนไหวทุกระดับของร่างกายเสียก่อนที่ในการเห็นการเกิดดับระดับต้นอิยบุตรสี่การเกิดดับของลมหายใจการเกิดดับของอิริบุย่อยการเกิดดับของเวทนาการเกิดดับของความคิดการเกิดดับของอารมณ์ เบื้องต้นการดูทางกายก็เวทิทยาก็ก็พอทันนะเรียก ว, ว่าบริหารการที่มันหนักมันเบาเนี่ยการเกิดมันหนักกันดับมันเบาอย่างนี้เป็นต้นเอี่ยเห็นดูกันดูอีบททั้งหมดเนี่ยกี่ร้อยกี่พันตัวก็ตามก็จะมีอแค่สองสามอาการอาการรู้สึกสบายไม่สบายอาการเฉยๆเป็นกลางแค่นั้น มันวัดค่าขั้ความเคลื่อนไหวของกายทั้งหมดอยู่ที่เวทนาเพราะเวทนาเป็นตัวแสดงค่าของกายถ้าเมื่อใรเราไม่มีเวทนาการนี้ก็หมดสภาพละเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ดูที่เวทนาทีเดยวเราเคลื่อนไหวแล้วก็ตามเวทนามันหนักเกินไปก็พอนะ้มันเบาลงมันเบาเกินไปก็ทำให้มันหนักขึ้นนี่ปรับความพอดีเรียกว่าเห็นการเกิดดับของเวทนา ถ้าเห็นการเกิดดับของเวทนาหรือรู้เท่าทันเวทนาปรับเวทนาเป็นก็เหมือนรู้เท่าทันกายเห็นการเกิดดับทางกายไปด้วยการเกิดดับทางกายกับเวทนาเรียกว่าการเกิดดับของรูปนะไปเห็นการเกิดดับของจิตและอารมณ์เรื่อการเกิดดับของนามนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติเพื่อให้บริหารความรู้เท่าทันคือสติสัมปชัญญานี่ให้มีความรวดเร็วคมชัด มากขึ้นให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใกายในใจนี้เร็วขึ้นเท่านั้นเองเพราะเนื่องจากว่ามันมีความถี่ที่สูงมากถ้าเราไม่รู้เท่าทันมาเราก็ไปสำคัญใอการเกิดดับของชีวิตนี้ว่ามันเป็นเราไปนะเพราะฉะนั้นสัญญาณรู้อันแรกของผู้รู้รูปนามเบื้องต้นท่านจึงรู้ว่าให้เห็นให้ถอนความสำคัญผิดในตัวเองออกหรือว่าสักยะทิถีให้มันเป็นสมมาทิถีว่า กายใจนี้มันจะสําสคัญว่ามันเป็นเราแต่มันเป็นที่ตั้งของทุกการดับทุกนั่นเองเป็นที่ตั้งของการเกิดทุกและการดับทุกเมื่อเราเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะลดความสําคัญมันหมายตัวเองลงอ๋อเราเป็นชีวิตของเราเนี่ยมันก็คือที่ตั้งของทุกขการดับทุกคนอื่นละ่ะคนอื่นก็เหมือนเราอย่างนั้นเราก็ลดความสำคัญหมายทั้งในตัวเราเองและคนอื่นลงได้ไม่ถือเขาถือเราไง ทีนี้ในแง่ของด้านศีละธรรมเราพูดได้นะเขาไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถือเขาถือเราแต่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องวิปัสสนาเสียก่อนเขาก็ถือไปไม่ในไม่ในนานนะเป็นคาพูดเฉยๆทาไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเรามาเข้าใจวิปัสสนาด้วยวิธีนี้การก่อนเนี่ยถึงเราไม่พูดเราก็ทําได้เพราะเรารู้ต้นเหตุมาจากว่าการที่เราต้องถือเขาถือเราในเะพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไม่รู้เท่าทันต่อ การเกิดด <uki ep ik ens> <Musik> ับของรูปของนามเราก็คิดว่ามันเป็นเราคิดว่าคนอื่นเป็นเขาแต่ความจริงมันไม่มีเราไม่มีเขาทั้งเราเข้าเขาก็คือที่เป็นที่ตั้งของการเกิดดับของทุกทั้งนั้นอ่าต่างก็เป็นเพื่อนของการเกิดตายเกิดดับทั้งนั้นเองเนี่ยเราเข้าใจอย่างนี้ได้ความเป็นตัวตนความเป็นสกรยัติที่ถี่ก็ลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าว่าคนเห็นการเกิดดับชัดเจนว่าเออเป็นพระโสดาบันได้ม ต้องลดสามตัวนี้ลดความถือเนื้อถือตัวแล้วก็ลดความสงสัยในเรื่องของความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ลดความที่จะไปหมกมุ่นกับดีก็ชั่วแบบโลกโลกไปหมกมุ่นกับดีก็ชั่วกับถูกกับผิดก็เหตุกับผลมากเกินไปแบบโลกโลกนะพัสดาบัญชงลดพวกนี้ลงได้แต่ใช้ไม่ได้ว่าไม่ทิ้ง ใช้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองถ้าใช้มันไม่ได้ไม่ถูกเรื่องก็พร้อมที่จะทิ้งมันก็สบายมันมันมันเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลในตัวของมันเองมันเป็นไม่ใช่เรื่องที่มั่วกันได้นะมีเหตุมันเป็นอย่างนี้นะนะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันแค่นี้ในเรื่องของรูปนามเบื้องต้นนะต่อไปก็เป็นการสอบอารมณ์ นะว่าวันนี้ที่เราไปทำอนี้มาวันนี้แต่ละคนมีตัวอะไรเป็นอุปสรรคปัญหาได้จัดสรรเวลาของตัวเองใช้อย่างไรบ้างช่วงเช้าใช้อย่างไรช่วงบ่ายใช้อย่างไรช่วงเย็นใช้ยชอย่างไร